มันจะต้องเป็นตัวอันยังเป็นพว้ควบคุมอยู่อันนี้ต้องไปภาวนาสามารถที่จะเห็นในกัมทีอะไรก็ไม่รู้สมัยนั้นก็ว่าคำพูดคำพูดของนักปราช์ที่ถูกต้อง ไม่ขาดจากอนิจจังอันนี้ก็จริงอนิจจังถ้าไม่มีอนิจจงเนะี่ยไม่ใช่คํำพูดของนักปบาชหรือไม่ใช่คํำพูดของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คํำพูดของพระอริยเจ้านั่นเองคือเป็นคํำพูดที่เดียวว่าอืมยังไม่มีไอความจริงที่ยอมรับ <c oughs> สิ่งทั้งปวงก็ต้องมีทางระ บ, บายคิดพิจารณาไปหลายๆอย่างแล้วก็มีเรื่องไม่ใช่เรื่องจิตมีเรื่องระ บ, บายอจิตใจเรานี้คือเหมือนกันออารมณ์ที่ไม่ระ บ, บายอารมณ์นี้จิตไม่ระบายอารมณ์นี้ก็ดียกว่าอ่า เมาจิตมืนเมาปฏิบัติอะไรกระทุกอย่างในความว่าอย่าเมาปฏิบัติแสนว่ามันจะดีก็อย่าเมาดีถ้าเมาเด็เป็นผิดเป็นไม่ถูกละ <c oughs> เราะจะ ทำอะไรอันหนึ่งเกิดขึ้นมาให้มันไปตามอำนาจที่ความรู้สึกของเราได้ชอบใจแล้วก็อย่าเมาถ้าไห้เมาถ้าเมาเราไม่ถูกต้องตามสัจธรรมอย่าเมานีฉะนั้นเราซึ่งปฏิบัติธรรมพระพุทธองค์ก็สอนว่าอย่าเมาอย่าเมา ถ้าเมาเร้ยผิดถ้าเมาเด้ไม่ถูกถึงเป็นเรื่องดียุก็จะเมาดีถ้าเมาดีมันก็โดยเกิดที่ว่ามันไม่ดียห้มันเมาให้รู้มันก็เหมือนกับที่สร้างเขื่อนที่มีทางระบายนะ้ยไม่ปิดให้ตายตัวมันก็น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 เช่นพระอภิธรรมชิ่นพระไตรปิฎกต่างๆเนี่ยแต่ดีแต่ว่ามันเป็นท่อนสองออเป็นท่อนที่สองที่คนไปบรรยายออกมาจากความจริงไอ้เรื่องจริงๆนะั่นมันเรื่องจริงยิ่งกว่านี้มันมีอยู่อันนี้คือไปถอดออกมาจากเรื่องจริงอาการที่คนถอดออกมานั้นบางทีก็รุมๆโดนๆก็มี นานๆไปนะมันดุมๆดอนๆแบบนี้แต่เรื่องจริงๆของมันนั้นไม่มีใครควบคุมมันมันเกิดเป็นเรื่องของเก่าคือธรรมชาติมันนไม่มีเสื่อมเรื่องคนที่ถอดอมาเปธิขั้งที่สองที่สามเนี่ยถึงแม้มันดีมันเจริญมันก็มีการเสื่อมอนะก็เหมือนกันที่คนเราที่ว่ามันมากเข้ามากเข้าอย่างเงี้ยมันก็ทำความยุ่งยากกันมา ตามเรื่องของมันเพราะว่ามันมากจะมีคนสอนภาษาดีๆเท่าไรเป็นต้นมันก็สอนได้แต่ว่ามันก็ไม่เหมือนความจริงของมันซัตจะทมที่มันเป็นจริงของมันนั่นนะไม่มีรายจะเสื่อมทรามไม่มีรายจะเสื่อมทรามเพราะอันนั้นมันคงที่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น <C oughs> อันนั้นไม่เป็นต้นตอ่อเป็นสัจะธรรม <c oughs> ที่ว่ามันเกิดขึ้นมาอยู่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นสาวกองค์ใดผู้ประพฤติปฏิบัติคนไหนก็ตาม่ะอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะต้องพยายามไปรู้ตรงนั้นเห็นตรงนั้นปฏิบัติตรงนั้นเทียบเทียงออกมานานๆไปมันก็ช่วยระบายออกไป เสื่อมไปไอ้ต้นตอมันก็ยังอย่างเก่าอันนั้นมันยังอยู่อย่างเก่านะต้นเดิมของมันนี่ฉะนั้นพระพุทธองค์ของดอนทันเจะให้สอนว่าให้กำหนดแล้วก็ให้พิจารณาผู้ปฏิบัติหากวันจริงหนึ่งอย่าติดอย่าติดในความผิดของเราอย่าติดในความรู้ของเรา อย่าติดในความรู้ของคนอื่นอย่าติดในความรู้ของใครรู้ให้รู้เป็นพิเศษนี้ไว้ <c oughs> คือปล่อยให้สัจธรรมความจริงๆระเบิดขึ้นเต็มที่มันอยู่เสมอไม่ได้ไปแยกตรงไหนอันนี้ก็เมกันเราอบรมจิตของเรานี้เือเรา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 กด็ดีอืมก็คือให้กํหนดรู้จิตของเราความรู้สึกของเรานี่เป็นทพ่พึงรู้จัก อ, อันอื่นก็เป็นเรื่องผิวเผินเช่นว่าพูดง่ายๆในวาระหนึ่งเราเป็นผู้ปฏิบัติอืม ไอ้มันถูกอะไรขึ้นมาหลายอย่างมีทางกลัวบ่ามีทางอะไร้หลายอย่างอันนี้ยเราจะอาศัยอะไรไหมไม่มีเรื่องจะอาศัยอันนี้เรื่องเคยเป็นมาแล้วเรื่องตัวตัวก็เคยผ่านมาเรื่องอันนี้ไอ้เรื่องจิตเนี่ยไอท้ที่มันหงเนี่ยที่มันกลัวมันกลัวจนหาที่พึ่งไม่ได้นี่ จะพึ่งอะไรจะพึ่งอะไรตรงไหนไม่มีที่พึ่งนะ่ไม่มีที่พึ่งไม่มีไม่มีที่พึ่งแล้วมันจะมาจบอยู่ตรงไหนมาจบอยู่ที่มันเกิดขึ้นมานั่นเองนยที่มันเกิดตรงไหนมันก็หลับตรงนั้นมันกลัวตรงไหนมันจะหายกลัวอยู่ที่ตรงนั้นพูดง่ายๆเลยว่า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 เป็นเรื่องสำคัญเมื่อหากว่าเรามีความกลัวพูดง่ายๆเราเห็นง่ายๆคือความกลัวเระกลัวจนกระทั้งมันหมดกลัวมันก็เลยไม่กลัวเพราะว่ามันหมดมันหมดฤทธิของมันให้มันก็ไม่กลัวไอ้ที่มันไม่กลัวคือมันวางมันจะเป็นอะไรอะไรมันยอมรับทั้งนั้นแล้วมันก็เลยหายกลัว เอคือเรื่องมันยอมรับทุกอย่างก็เหมือนกันฉันนั้นที่เรื่องเราปฏิบัตินี้ไอ้ความเป็นจริงนั้นพระพุทธองค์ท่านให้เชื่ออย่างนี้ไม่เชื่ออย่างนั้นเชื่อที่ว่าอย่าไปติดความเห็นของเราเองอย่าไปติดความเห็นของคนอื่นแน่ให้วางไปโดยเฉพาะ อันนี้เป็นสิ่งที่สาคัญมากมเราจะพยายามกอาความรู้ซึ่งมันเกิดมาจากความจริงจริ ง, รงคือมายึดมั่นหรือถือมั่นในความเห็นของเราแต่ก็มายึดมั่นถือมั่นในความเห็นของคนอื่น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 มันก็บางทีก็เข้าใจผิดหลายอย่างเช่นการภาวนาเราบางคนก็จะไปกำหนดจนทีว่าอาการของจิตนั่นมันเป็นยังไงไหมอย่างนี้ก็เลยไปกำหนดทุกอย่างทุกประการในเรวุ่นไปเช่น <ๆ S 1> ว่าเราให้พิจ า, ารณากันห้าขยายกันห้าเป็นอาการสามจิตสองหลายอย่าง สารพัดอย่างครูวาอาจารย์วายกิจนาทั้งหมดแล้วก็มาค้นคิดทั้งหมดนั่นนะห้าแ้วก็ยังไม่จบอาการสามที่สองสามที่สามสารพัดอย่างค้นไปแล้กว่าอย่างนั้นอันตรามาจึงเห็นว่า <c oughs> ถ้าเราก้อนก้อนนี้ขันห้าที่เรานั่งอย่ มันจะห้าจะหกจะเจ็ดจะแปดจะเท่าไรก็ช่างมันเถอะก้อนที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวนี้เนาะเราเบื่อมาแล้วเพราะว่าไม่ได้ตามปาร์นาของเราตรานี้ก็เห็นจะพอหรื ม, มั้งถึงแม้วันจะอยู่ไปก็ไม่ค่อยดีใจจนมันหลงถึงแม้ว่ามันจะทําลายไปก็ไม่จําเป็นจะจะต้องเสียใจในก้อนนี้เราเห็นขนาดนี้ก็พอแล้วมั้ง ไม่ต้องไปฉีกเอาเนื้อเอาหนังอะไรออกมาหมดอันตรมาเคยเปรียบเดืออยู่เสมอแหละ ว, ว่าบางคนก็ต้องทําให้มันรู้อย่างนั้นในมันเห็นอย่างนั้นแต่ลอดถึงยกตัวไม้ขึ้นมาให้ดูอืโดยมากนักศึกษาอยากจะรู้บุญอย่างนี้เขาก็อยากจะรู้ตัวว่ามันเป็นยังไงบาปอย่างนี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นยังไงอืม อันนี้อาจจะมาไอตัวมันไม่มีหรอกตัวมันคือความเข้าใจของเราที่ถูกต้องเท่านั้นแหละเขาอยากใจมารูแจ้งขนาดนั้นขึ้นมาต้นไม้ต้นหนึ่งอย่างนี้อาจารมาเคยเทียบให้ฟังว่ามันมีรากมันมีใบ ม, มันอยู่ด้วยดากของมันนักศึกษาจะต้องรู้ว่ารากมันมีกี่ราก รากน้อยรากคอยมันกี่รากรากใหญ่มันกี่รากใบมันกี่ใบอย่างเงี้ยเขาจึงจะรู้ว่าเขารู้ชัดรู้แจ้งว่าในต้นไม้ต้นนั้นมันมีกี่รากดูเหมือนวพระเจ้าองค์ท่านเห็นว่าอยากอยากจะรู้อย่างนั้นดูเหมือนท่านจะว่าจะเป็นคนโง่ไปใช่ไหมกอไม่ไม่สิ่งที่จําเป็นที่จะรู้อย่างนั้นรู้ว่ารากไม้ก็พอแล้วมันอยู่ได้รากมันก็พอใบมันก็พอแล้ว ว่ารากอันเดียวมันก็ประสบทุกรากใบอย่างนี้มันมากอยู่เตียมต้นมันจะไปนับมันได้ไหมแต่ก็เรียกว่าใบหัดูเอาใบใดใบหนึ่งเดียวก็แล้วกันก็เป็นใบแล้วก็พอแล้วรู้เลย ว, ว่าใบปะหรูต้นนี้มันมีใบเดียวอย่างนี้รากปะหรูต้นนี้มันคือมีรากเดียวเท่านี้เป็นรากของมันนี่รากอื่นนอกนี้ไปก็เหมือนนี้ใบประรูอื่นนอกนีไปก็เหมือนใบนี้ คนเ่านี้ยคือมือนกันเั่นนั้นรู้เราคนเดียวเท่านี้แหละมันก็รู้จากคนหมดทั้งโลกทั้งจั ก, กรวาล น, นี่แหละไม่ต้องไปตามดูใครนะพระพุทธเจ้าให้ดูตนเท่านี้ละ่ะมันกับเห็นตนนั่นเดียวเท่านี้แหละใครๆก็เป็นอย่างนี้ก้อนนี้ก็เป็นอย่างนี้สัมมัญยาลักษณะธรรมะท่านกล่าวว่ามันมีลักษณะเสมอกันอย่างนี้สังขานทั้งฟวงมันเป็นอย่างนี้ อันนี้วกมาพูดที่ดี่าเราทำสมาธิกันเพื่อเจระกจเดศเพื่อจะมันเกิดความรู้ให้เกิดความเห็นเพื่อเจรักขันหานี้มีสองอย่างนี่บางทีก็เรียกสมร tha แบ่งกันใช้สองกาวิปัสสนานก็เลยมาทำกันให้มันยุ่ง ม, มากที่สุดตามความรู้สึกอย่างนี้น อย่างผู้ที่นั่งสมาธิก็สรรเสริญในสมาธมินั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบก็เพื่อให้มันดูอันนั้นบางคนก็เห็นว่าฉันไม่ต้องนั่งสมาธิหรอกฉันว่าภาชนะใบนั้นมันต้องแตกเป็นเบื้องหน้าเท่านี้จะไม่ได้หรือเออเนี่ย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 สมาธิฉันไม่เปลี่ยนละเท่าว่าฉันรู้ภาชนะใปนี้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วฉันก็รักษามันไว้อืมกลัวมันจะแตกไหมกลัวเหมือนกันกลัวมันจะไม่ได้ใช้รักษาไว้ถ้าถึงคาวมันแตกจริงๆฉันก็ไม่มีอะไรพอฉันเห็นว่าภาชนะไปนี้มันแตกอยู่แล้วหรือมันจะมีความแตกเป็นเมืองหน้าอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาอย่างนี้ ทุกฉันก็ไม่มีแล้วเพราะฉันเห็นอย่างนั้นอันนี้ฉันปฏิบัติจะไม่ถูกต้องหรืออย่างนี้เนี <net> ่ยอไม่ต้องนั่งสมาธิมันมาก เ, เกินไปนี่พะฉันเห็นอันนั้นท่านนั่งสมา ธ, ธิก็เพื่อจะเห็นอันนั้นเท่านั้นนะอันนี้ฉันก็ไปเห็นอันนั้นแล้วว่าเมื่ออันนั้นมันเป็นอย่างนั้นทุกฉันก็ไปเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้น <net> อ, อไอ้คนนั่งสมา ธ, ธิเห็นไอ้ภาชนะเช่นนี้ว่ามันจะเป็น ไปอย่างนั watering, ้นในเบื้องหน้าในพระชนะอันนี้ก็เป็นไปอย่างนั้นไอ้คุณก็ไม่มีทุกข์เพราะคุณนั่งสมาธิอบรมจิตใจเห็นแล้วอย่างนั um, ้นคุณก็ไม่มีทุกข์อืมเพราคุณนั่งสมาธิอบรมจิตใ้เห็นอย่างนั้นฉันไม่ได้นั่งสมาธิแต่ฉันมีความมั่นใจว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งทั้งหลายนั้นเป็นไปตามสภาวะของมันฉันก็ไม่มีอะไรเพราะเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้ว อันนี้มันเป็นปัญหาของนักปฏิบัติของเราบางทีก็ทำสมาธิสารพัดอย่างเรื่องเจตีอาจารย์ที่ทำกันนะอย่างเราได้ยินมานะ่วุ่นขึ้นไปหมดอืมไอม้ความเป็นจริงก็เรื่องให้ไปเห็นอันนั้นตา่างความเป็นจริงเท่านั้นแหละ เ, เกิดไม่สงสัยอะไรเท่านั้น ฉะนั้นอาตมาจึงเห็นว่าเมื่อหากว่าเรารู้จักอย่างนี้ทําจิตของเราอยู่ใต้บังคับบัญชาของเราอย่างนี้บังคับบัญชาอะไรบังคับบัญชาอะไรบังคับบัญชาก็เเรื่องเรื่องที่ว่าอานิจจังเทเบามันไม่เที่ยงมันจะไปแง่ไหนมันก ร, มมรวมมาอยู่ตรงนี้มันไม่ไปที่ไหนแล้วมันอยู่ตรงนี้ ถ้าเห็นมันชัดอืมเนี่ยเป็นเหตุให้เราปล่อยวางดังนั้นผู้ปฏิบัติแล้วก็จะหาว่ามันถึงที่มันพอสมควรแล้วก็ปล่อยมันไว้ตามธรรมชาติมันจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็เฉยๆอยู่ถ้ามีอะไรก็คิจารณามันถ้าไม่มีก็วางไว้ตามธรรมดามันธรรมชาติมันอยู่ไปตามธรรมดาเราเนีเ่ว่าอันนั้นเกิดขึ้นมามันทุกข์ั้ม เออย่างนั้น hmm. อ <nope. S 1> mm ืม hmm. mm ันยึดไหมยึดมั่นถือมั่นไหมอะไรไหมไอ้เครื่องประคับประคองมันมีอยู่เดียวถ้าเราไปถึงจุดอันเดียวกันนั่นเห็นว่ามันจะมีความสงบเรียบร้อยทุกคนเมื่อหากว่าเรามาทําภาวนากันเนี่ยนิปัสนนากรรมฐานอืมวิปัสนนาธุระสมถานธุระ มันก็มีเรื่องเท่านี้เองสองอย่างนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าอันนั้นว่ามันเป็นอย่างนานเท่านั้นแต่เรื่องภาวนาของพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบริษัททุกวันนี้อืมมันถ้าหากว่าพูดตามลักษณะมันฟั่นเฟือกันเจนเกินไปแต่ว่าจะทําไม่ในสั้นเสืออะไรกรันมันเป็นข้อมันอยู่อย่างนะ <Ừ. S 2> อัตมาจึงเห็นว่ามาค้นคว้าเบื้องต้นมันดีกว่าออกจากกาเนิดจิตของเรานี้ดีไม่มากไม่มากเกิดแก่เจ็บตายย่อๆซึ่งเป็นของจริงอยู่แล้วจะพูดไปที่ไหนมันก็เป็นของมันอยู่อย่างให้มันเห็นชัด้าไปให้มันยอมรับนะ ถ้ามันยอมรับเรามันก็จะวางของมันนะราบยศสรรเสริญสุขนินทาสารพัดอย่างมันก็จะวางเพรามันยอมรับอยู่แล้วถ้ากว่าเรามาถึงที่สัจธรรมอันที่มันเป็นความจริงอย่างนี้นะเราจะเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายพูดง่ายทำง่ายอะไรง่ายๆไม่ได้เป็นของยากไม่ได้เป็นของลำบาก ประพุธเบาดีสบายนี่คือที่คนภาวนาที่มีความสง บ, บแล้วมันจะต้องไปในทํานองนั้นฉะนั้นกันเราทําจิตทุกวันนี้นที่พระพุทธองค์ของเราท่านทําอยู่หือสาวกท่านทําอยู่ ที่ท่านสําเร็จไปแล้วก็ดีอย่างพระพุทธเจ้าของเราหรือสาวกของท่านก็ดีเมื่อท่านยังทรงภาชนอยู่นั้นแต่ท่านก็ต้องทำของท่านเออทำของท่าน อ, อประโยชน์เราก็หมดแประโยชน์คนอื่นประหมดแล้วแต่ท่านก็ต้องทําประโยชน์ตนโดยปริยายได้ก็สร้างประโยชน์คนอื่นโดยปริยายไม่ได้ขาดเลย ถึงท่านเสร็จแล้วท่านก็ยังทําอยู่ยังเป็นอยู่อันตรมาว่าคงให้ถือเอาอย่างนั้นที่เราทําปฏิบัติกันอยู่นี้เรียกว่าเรียกว่ามันไม่พอจะพูดเียว่ามันไม่พอมันเป็นสัญดานอย่างนั้นเชยอืมท่านไม่เคยทอดทิ้งความเพียรของท่านจะเพียรแปลอะไรเพียรเพาะเพียร น, นั่นเนอเพราะมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องเพียร เป็นลักษณะอันนั้นคือนิสัยของปลานิสัยของผู้ประพฤตินิสัยของผู้ปฏิบัติอ<ม>จะเปรียบประหนึ่งว่าคนเศรษฐีกับคนจนเศรษฐีก็ยิ่งขยนันยิ่งขยันกว่าคนจนไอ้คนจนมันยิ่งไม่ขยนันมันไม่เคยเป็นเศรษฐีนะไอ้เศรษฐีเคยรู้จักมาหลายๆอย่างก็ยิ่ง ขยันก็ยิ่งรอบครอบกว่าคนจนนี่มันเป็นไปอย่างนั้นฉะนั้นการที่พักผ่อนเรื่องการประพฤติปฏิบัติของเรานี้มันก็พักผ่อนอยู่ในการปฏิบัติถ้าหากว่าเราถึงจุดแล้วก็รู้จุดแล้วก็เป็นจุดอันนั้นตามความเป็นจริงแล้วเราจะเดินไปมันก็มีทางเลยจะเสียหาย น่นจะนั่งอยู่ไม่มีทางอะไรจะเสียหายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่มีอะไรจะเสียหายสิ่งทั้งหลายเ่านี้มันเกิดขึ้นเต็มอยู่มันถึงจุดมันแล้วที่เราวันนี้มาได้นั่งสมาธิใจเขากสบายอยู่แต่อพอมันในสมาธินี่นคือว่าไม่ใช่ว่า ม, มันนั่งมันเป็นสมาธิอย่างเดียวไม่ใช่อย่างยืนเดินนั่งนอนมันเป็นสมาธิของมันอยู่ได้ ถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในิยบบททั้งสี่การยืนเดินนั่งนอนแล้วมันเสมออยู่อย่างนั้น ม, มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาในระยะนี้ฉันขาดสติไปแล้วฉันไม่ได้ทำความเขียนไม่มีอย่างนั้นไอ้ความรู้สึกอย่างนั้นไม่มีไอ้ความคิดอย่างนั้นมันไม่มีในที่นั้นเรียกว่บสมบูรณ์บบูรอยู่แล้วมันเต็มอยู่อย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนั้นมไม่ได้สงสัยอะไรอีกแล้ว ควรจะหยุดอยู่ตรงนั้นพิจารณาอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะตรวจดูก็ได้สักกายทิฏฐิอย่างนี้วิจีกิจฉ า, า, า, าศีรพตราปรมาทเบื้องต้นอย่างนี้ออกจากนี้ทั้งนั้นเลยมันจะรู้ไปตรงไหนก็ให้มารู้ไปเถอะจิตใจต้องออกจากอันนี้สักกายทิฏฐิวิจีกิจฉ า, า, า, าศีรพตราปรมาชนี่เป็นเบื้องแรก จะต้องออกช่องนี้เลยสิ่งสามอย่างนี้มันเป็นอะไรที่เรามีอยู่นี่เรารู้ในตัวเราั้ยเราเห็นไหมว่าเป็นอะไรอันนี้ใครจะไปรู้เรายิ่งกว่าเรารู้เราแล้วนี้นี่สักกายทิฏฐินี่วิจิกิจฉาสิรปตาปรมาตถถ้าใครมาถืออยู่นี่มาสงสัยอยู่นี่มารูปคมอยู่นี่มันก็เป็นตัวเป็นตนอยู่นี้เองนะ ใครจะมารู้มาคํามันอย่นี้ใครจะมาสนใจในที่ถ้าหากว่าไม่ใช่ตัวตนแล้วมันก็จะมีใครมาทาอยู่ตรงนี้อะสิ่งทั้งหลายเนี่ยแต่มาเห็นว่ามันจะพร้อมกันละอแต่เพรรู้จักสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อื ม, มันจะจบในการประพฤติปฏิบัตินี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ต่อไปก็เป็นธรรมดา อยู่เหมือนพระพุทธเจ้าของเรานั้นอยู่เหมือนอริยเจ้าของเราท่านอยู่อยู่ธรรมราเหมือนปุตุชนเรานี่ใช้คำพูดอย่างปุตตชนเหล่านี้เป็นอยู่อันเดียวกันทั้งนั้นาะว่ามันไม่ปแปลกอะไรกันแล้วอ่าเนี่ยอ่าก็ใช่สมมติอยู่ตามธรรมดาไม่มีอะไรอืมไม่มีอะไรอื ม, อม เปลี่ยนแปลงส่วนสมมตนนินี้เท่านั้ น, นแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงที่ว่าท่านไปกิบเราทุกข์มาใส่ใจของท่านคือท่านไังมีทุกข์นั่อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากมเพื่อพ้อนทุกข์เพื่อดับทุกข์มันดับนิปพานะก็แปลว่าดับ มันดับทุกข์ดับร้อนหลับสงสัยหลับกังวลมันดับเยน็นมไม่ควรที่จะไปสงสัยมันมเรื่องการพืชปฏิบัตินี่อะไรที่จะมันสงสัยขึ้นมาก็อย่าสงสัยในสิ่งที่สงสัยนั้นย้ำมันเข้าไปตรงนั้นงัดมันเข้าไปตรงนั้น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 ฝึกอยให้จิตสงบให้จิตสงบนี่หากรรมฐ า, านในมัตุจริตของเราเองมันถึงความสงบง่ายอย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงนั่นทั้งก็โยนให้เจ้าของเราเองพระพุทธเจ้าของเราให้ดูเจ้าของโยนให้เจ้าของหาเอาถ้ามันร้อนมันก็เป็นโทสะ มันตึงไปสักถ้ามันเย็นเกินไปก็เป็นฉุกซะเป็นกามมาสุกานกาดิโยโคไปอักถ้ามันร้อนก็เป็นอจักจิร า, ามันธาดิโอโคโปไปสักไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ให้มันเย็นไม่ให้มันร้อนให้รูจักการร้อนให้รูจักการเย็น ให้รู้เรื่องทุกสิ่งสารพัดที่มันเกิดขึ้นมานั้นมันจะรวมเอาทุกว่าใส่ตัวมันไหมมันยึดไห ม, อ, มอย่างที่นว่าชาติทุกอย่างนี้ไม่ใช่บะเกิดชาตินี้เดี๋ยวตายไปเกิดชาติหน้าเกิเป็นเป็นทุกข์ขึ้นมาอย่างนั้นอันนั้นมันไกลามากที่สุดแหละได อ, อชาติทุกที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้น่ะอ่าอ่ามันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ <c oughs> ที่ว่ามันมีภพอยู่ไอภพนั่นมันเป็นเหตุให้ชาติมันเกิดนี่ภพนั่นคืออะไรทุกอย่างอะไรที่ไปหมายมัน่นมันจัดเป็นภพทั้งนั้นไอ <c oughs> ของที่เราถือว่าเป็นเป็นเราเป็นเขาเป็นข อ, ของของเราเนี่ยโดยที่ไม่แยบคายแตมันเป็นภพทั้งนั้น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 อืมเมื่อชาติเกิดขึ้นมาเกินำทุกข์เมื่อชาติทุกข์ชราที่ทุกข์พยาทิทุกข์วรณทุก์ อ, อะไรเราอยู่ในภพไหมเรามีภพไหมเห็นเรามีภพไห ม, มดูนีกระดาเรามีภพไห ม, มเรารู้จักภพไหมดูเท่าทันภพไหมอย่างต้นไม้ในวัดแถวนี้แหละอย่างเราเป็น สมมติว่าวัดเราอยาเนี่ยถ้าหากว่าไม่รู้ว่าวัดเราจริงๆนั่นนะ่ะคนในวัดหรือส่งผ่านวัดเนี่ยจะไปเป็นตัวนอนอยู่ทุกต้นไม้ในวัดนี่ไม่รู้ตัวต้นไม้เพราะอะไรเพราะตัวนอนเขาไปยึดคือตัวอุปทานไปยึด ไม่ต้นนี้ของฉันอยู่ในวัดฉันอยู่ในสวนของฉันอยู่ในบ้านของฉันจะมีกี่พันต้นเป็นต้นก็เป็นหนอนกี่พันตัวในนั้นนั่นคือเป็นตัวพบเมื่อถูกเขาตัดเขาสับเมื่อไรเป็นต้นก็ถูกหนอนคือตัวเราอืมสรุ่งขึ้นมาเลยเกิดเป็นชาติขึ้นมาเลยห่วงเป็นชาติทุกสราติทุกเนี่ยอันนี้เรารู้รอบแเราดู ย, ยัง อันนี้สิ่งที่ไกลๆสิ่งที่อยู่บ้านเราสวนมันไกลจากเราไปแล้วเราโต ก, กมาที่ตัวที่เรานั่งอยู่นี่แหละที่ประกอบด้วยกัรห้านีไอ้จาพวกดินจําพวกน้ําจําพวกไฟจําพวกลมที่มีอยู่เนี่ยที่ถูกสมมติสังขารว่าเป็นเราเห็นสังขารจริงไหมเห็นสมมติจริงไหม ถ้าเห็นสมุดไม่จริงเห็นธนาคารไม่จริงตัวนี้จะเป็นตัวพบมมันจะดีใจในกันห้านี่แหละมันจะเสียใจในกันห้านี่แหละมันจะเกิดอยู่ตรงนี้เนะอืมมันจะชาติทุกีตรงนี้สนาติที่ทุกข์พยาธิทุกข์ทีเดียวนี้มันจะเกิดชาติเดียวนี้เกิดชาติเดียวนี้ดีรานี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่ามันมีมาก่อน แก้ได้แตกไปนี้เสียดายเดียวนี้แก้ไดะเหลื อ, อยังดีใจเดียวนี้อย่างนี้ดีใจโดยทางที่ว่าไม่มีปัญญาควบคบุมเสียใจโดยที่ว่าไม่มีปัญญาควบคบุมมันเนี่ยมันเสียหายทั้งนั้นเนี่ยไม่ต้องดูอื่นไรเมื่อเรารวมรวมเร้มาในทั้งหลายเหล่านี้เราจะเห็ น, นว่ารบเรามีอยู่ด้วยล่า ถ้ามีอยู่เรารู้จักพบไหมเรารู้จักสมมุติไหมรู้จักบัญญัติไหมนี่อคือตัวอุปทานที่เราเรียกว่าอันนี้เราหรืออันนี้ของเรานั้นเนี่ยอุปทานมันไม้มีอยู่ตัวอุปทานนั้นเนี่เป็นตัวหนอนเนี่ยเป็นตัวหนอนแท้แท้ทําชาติให้เกิดขึ้นมาตรงนั้นเอี่ยตรงที่เราไปยึดอะไรเนี่ย ยึดอะไรไหมยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารอินญาณยึดขึ้นเดียวนั้นประสุขเดียวนั้นทุกเดียวนั้นคุณเดียวนั้นเป็นเดียวนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อเรากระทบกันเดียวเนี้เมื่อตากระทบกับรูปเดี๋ยวนี้เกิดเดียวนี้ไม่จะเกิดเมื่อวานหรือเกิดก่อนนี้ไม่ใช่ว่ามันนอนเนื่องอยู่ตรงไหนแล้วมันกระทบเดียวนี้มันเกิดเดียวนี้ปัจจุบันเดียวนี้ อันนี้พระพุทธองค์ท่านเห็นมาอย่างนี้ด้วยจากพบพชาติในอายตนะที่เราอาศัยอยู่นี้ใกล้เข้ามาเดียวนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะได้ปล่อยได้ภายนอกภายในอายตนะตาหูจมูกเลี้ยงกายใจภายในภายนอกอ แล้วจะเห็นอยู่ปัจจุบันเดียวนี้ไม่ใช่อื่นไม่ใช่ตายจากนี่ไปแล้วไม่ใช่ลุกจากที่นี่ไปแล้วเดียวนี้้าเห็นโูกเดียวนี้หูฟังเสียงเดียวนี้จะวกล่งกิ่นเดียวนี้รีนดิ่มรถเดียวนี้เกิดหรือเปล่ารู้ทันมันนี่ความเกิดอันนี้ อ, อ, นอันนี้ดีกว่าอันนี้จะต้องมีนิสัย เป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยผู้เห็นภพชาติของเราอย่างนี้จะได้เห็นว่าเราเกิดอะไรบ้างเรามีภพอยู่ไหมเรามีชาติเกิดไหมเนี่ยไม่ต้องไปดูมหมอหรอกแต่ามามีเพื่อนร่วมหนึ่งอยู่ภักกลางสมัยก่อนเคยปฏิบัติเดียวกันมานีจากกาไไันไปหลายปีเนี ไปเลยไปพบเมื่อสองามปีมานี้หลวงตาเนี่ะเ่ท่านปฏิบัติสติปัฏฐานเนี่ยท่านมาท่องทันเทศด้วยนะเทศ็สติปัฏฐาน ท, ท่องเอ า, ทาเทศแล้มก็ยังไม่หายสงสัยพอปีนั่นลงไปเรงมากาบเลยโอ้ยท่านอาจารย์แม่ผมมีใจด้วยเกินเนื้อเนีอนี้ทไมเขาไปปราวาดิหรือเขาไปที่ไหนก็ไม่รู้อว่าไปทายพระ ไปเสี่ยงทายพระค่าเสียงทายเขาเน่ยยกขึ้นว่าถ้าหากว่าข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วพอยกพระนี่ขึ้นอะไรเงี้ยถ้ า, ากว่าไม่บริสุทธิ์แล้วยกพระนี่ให้่มาขึ้นเลยพอดีท่านไปยกพระนี่ขึ้นด้วยดีใจเลยนะเนี่ยไม่มีรากฐานอะไรเลยนิดเดียวเท่านั้นเนีอยเห็นมาเราเป็นผู้บริสุทธิ์เอาไปฝากไว้ข้อนหินนึง แล่เรายกปลาขึ้นเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วผู้ปฏิวัติมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยมันไม่เห็นตัวมันเห็นข้างนอกเห็นก้อนหินก้อนปูนแม่แตวเห็นเจตนาในจิตขอ ง, ของในปัจจุบันเดี๋ยวนี้อเรื่องภาวนาของเรามันเป็นกันเงินจะไม่สงสัยอะไรเลยฉะนั้นอาตมาจึงเห็นว่าการภาวนานี่น่ะ ดีแล้วแต่ว่ามันมีใครรับรองเช่นบูดังเนี้ยบทดังนี้เขาทำเขาคนทำเนี่ยนักเรียนป .4 เขาทำบูดังนี้ไม่ใช่เาออกแบบเขาทำแต่เขาทำได้ดีที่สุดใจว่าเขาไม่มียี่ห้อ เขาไม่นับรองเหมือนศาสาปานิที่มีหลักการวิชาการแต่เขาทำได้ดี อ, อันนี้มันเป็นอย่างนั้นสัจธรรมก็เป็นอย่างนั้นที่เราไม่ได้รู้ไม่ได้เรียนไม่ได้มากมายนอกแต่เรารู้เห็นว่าอันนี้มันประกอบด้วยทุกข์มันพาเราเป็นทุกข์มันวางจิตทางในเรานั้นได้ ไม่ต้องไปสืบสวนตรงไหนเราให้รู้จิตของเจ้าของเท่านั้นดูเรื่องอันนี้ก็พอ อ, อย่าไปวุ่นวายอะไรมากปฏิบัติกา น, นอย่าไปสงสัยมากเลยอืที่มันสงสัยนั่นกับคุมมันมาซะมันเป็นอย่างนั้นเองจิตยังเป็นยงนั้นเองมันวางมันวางนะเลยมากมันไม่มีอะไรหรอก ม, มันไม่มีอะไรเราสําคัญว่ามันมีอะไรอยู่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 เมื่อเรื่องมันไม่จบอย่างนั้นไอ้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่ามันดับทั้งหมดน่ะมันดั บ, บดับด้วยความรู้ไม่ใช่ดับด้วยความไม่รู้จัก อ, อือันนี้ถ้าหากว่าเรารับรองของเราในตัวของเราอย่างเนี้ยให้คนอื่นเขาท่าน ไม่มีอะไรนะอย่าไปสงสัยในการประพฤติปฏิบัติอย่าไปยึดมั่นถือมันในความเห็นของเราอย่าไปยึดมั่นถือมันในความเห็นของเขาเนี่ยในช่องกลางนี่จะให้ปัญญาเกิดที่ถูกต้องที่สุดแล้วแต่ ม, มาเคยเปรียบให้ฟังให้ง่ายคนเราถ้ามันมีความยึดอยู่ มันก็ไปรู้จักที่ยึดเนี่ยเป็นที่อยู่ของมันขึ้นมาบนลังคาเนี่ยกับพื้นนี้คนขึ้นไปตรงนั้นก็ไปจดบนลังคาแล้วมันก็ถึงลังคาแล้วเท่ น, นั้นรู้ถึงแค่นั้นโดนลงมาก็ถึงพื้นเท่านั้นเนี่ยนี่มันรู้จักแล้วอะเพราะข้างบนนั่นมันก็จดลังคาข้างล่างมันก็จดพื้นคนเรามันจะรู้สึกเท่านี้หากขึ้นไปบนลังคามันจะโดดลงมาพิบมอย่างนี้ มันก็รู้สึกแต่บาอยู่อยู่หลังคาแล้วก็อยู่กับพื้นระยะกลางเนี่ยไม่ใครรู้จะมีใครทูจักเพราะอันนี้ไม่มีเครื่องวัดเป็นอากาศยังไม่มีเครื่องวัดแต่ว่าจากหลังคามหาพื้นเนี่ยมันจะกี่เม็ดกี่เซนมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นแต่คนที่โดนลงมานั้นไม่รู้เรื่องก็เพราะไม่ได้วัด ไหม่ในวัดมันก็ยังเหลือเม็ดเหลือเซนเพรามันอยู่อย่างนั้นมันไม่เสียหายไปตรงไหนเรามันเป็นกัจจธรรมอย่างนั้นตกลงมาวัดใหม่ก็ได้มันจะมีสี่เม็ดมันก็ยังเหลืออยู่เท่าเก่าเหมืนั้นถึงคนนจะโดดลงมาหรือไม่โดดลงมามันก็เหลืออยู่เท่าเก่ามันกัจจธรรมอันนี้ไม่มีอะไรไปตรงไหนเนี่มันเป็นเรื่องของอย่างนี้อืมที่เดียวกันที่ไม่มีพบอยู่ย่านกลางเนี่ยไม่มีไม่มีเครื่องไม้อะไรเลยนี่ ตอบไม่ได้คนเราตอบไม่ได้อืเช่นว่ายกง่ายในปัจจุบันนี้ไอ้เด็กๆที่มันประพฤตธรรมะกันอยู่หนึ่งมันอยากรู้ว่าพระนิพพานมันพระนิพพานมันเป็นยังไงถ้าเราพูดไปถึงถึงว่านเรื่องที่มันไม่มีพบเดียวมันไม่อยากไปแล้ว มันถอยหลังเห็นะหมว่ามันดับสงบมันอยากจะรู้จักว่ามันจะอยู่ยังไงกินยังไงอยู่ น, นะตรงนั้นอ<ม>ืมันเป็นอย่างนั้นมันไม่จบแต่ท<ม>ีหนึ่งอืฉะนั้นปัญหาของคนจะรู้เรื่องจริงๆนั่นก็คือเรื่องปฏิบัติอ<ม>เรื่องปฏิบัติเท่านั้นแนี่เป็นอาจีพที่พบพระพุทธองค์เลย ถาว่าท่านเป็นลกูกศิษย์ใครใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านฉันกัจจารุตัวตนเองไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของฉันสถาท่านี้เลยคือบอกตรงเกินไปมันไม่ดูเรื่องอืมจะบอกอีกแทั้งวันเนี่ยก็ไม่รู้อยู่ตรงนั้นอืมก็จิตของมันไม่เคลื่อนจากที่ของมันมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นไอ้คนเรามจะมีปัญญากับเพราะการปฏิบัตินี่ขึ้นมา จะหายความสงสัยแท้จริงกับเรื่องการปฏิบัตินี้เองจะไม่ได้ฟังการฟังที่ทำฟังทำรับรู้เอาไปปฏิบัติแต่ความจริงเนี่ยมันจะเอาตามคนเอาตามความรู้สึกตามจริงจริงที่มันเกิดขึ้นมาอย่างจิตใจของเราเนี่ยฉันชอบอย่างนี้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 สงสัยอะไรไหมไการปฏิบัติมีม <c oughs> รู้จักในการปล่อยที่มันไหลอยู่นั่นน่ะดูมันเถอดดูนั้นไม่ใช่บบบปล่อยไม่ดูมันนาต้องมีส ต, ตินะที่พูดไปทุกระยะนี่เป็นผู้มีสติควอบคมอยู่เสมอ จริงก็เรียกว่าเราปฏิบัติด้วยปัญญาของเราไม่ปฏิบัติด้วยความโง่มันถึงจะรู้จักมัน mm hmm. ให้มันผ่านปัญญาเราตรงนั้นอันนี้ก็ mm hmm. มันไอ้ก็ความจริงอ่ะไอ้ที่ความรู้สึกนึกคิดมันก็เป็นไปตามความจริงของมันอยู่แล้วล่ะ แต่เราไม่ให้กล่มจิงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นไปอย่างนี้เราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นจะมาพูดคำศัพที่ทันวะโรกวิทูรู้แจ้งโรคคือโรคอันนี้มันเป็นสภาวะเขามันอยู่อย่างนั้นหรือจะรวมง่ายกับโรคคืออะไรคืออารมณ์ พูดกันง่ายๆก็มาที่สุดซะโลกเดินถ้าพูดเดาเมันกว้างอารมณ์นี่เป็นโลกพูดง่ายๆโลกคืออารมณ์อารมณ์คือโลกหลงโลกก็คือหลงอารมณ์หลงอารมณ์ก็คือหลงโลกอโล ก, กับวิทูรู้แจ้งโลก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 มันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่เรามาแยกกันออกไปซะได้หลงกันมันเป็นเรื่องเดียวกันแอ่แต่มาเคยเปรียบให้ฟังอยังง่ายๆอื ม, มันมีที่เปรียบนะเรื่องสมถะกรรมฐานเรื่องวิปัชนากกรรมฐานนั่นน่ะ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 ละบาปนี่ถ้าคนไม่มีศีลนี่มันร้อนมันร้อนคือทําให้มันเย็นใช่ไถ้าคนละความชั่วละบาปเลยมันก็เย็นมันเย็นไในมีโทษอาการที่ไม่มีโทษนี่แหละอันนี้สงที่มันเกิดขึ้นมานี่เนี่ยมันจิตสงบมันจะเป็นสมาธิอืมเมื่อสมาธินั้นน่ะมันใสสะอาด อมันจะมองเห็นอะไรหายอย่างอย่างน้ำที่มันไปกระเพื่อมไปมองดูไม่ใช่เห็นแต่หน้าเราไม่เห็นถึงหลังคาโน้นอะไรนกมันบินผ่านมามันก็เห็นนี่มันเรื่องอันเดียวกันทั้งนั้นแหละเหมือนกันกับมาม่วงไว้เดียวอืลูกเล็กๆมันก็ใบนั้นมันโตขึ้นมามันก็ใบนั้นเนี่ยหามก็ใบนั้นสุกก็ใบนั้น อันเดียวกันสีมันจะเขียวด้เหลืองก็อันเดียวกันทั้งนั้นสักเท่าว่ามันเปลี่ยนเท่านั้นเกี่ยวกัทีนั้นถ้าเราเข้าใจง่ายๆอย่างนี้มันก็มันก็สบายขึ้นความสงสัยมันก็น้อยข้าถ้าเราไปขยายมันบอกไปเส้นกว้างโอไม่ทนค้นจําลาเลยไม่ทนคกนค้นจัลา ไม่รู้ว่าไงต่ออะไรเลยวุ่นไปหมดตรงนั้นท่านั้นต้องตามดูจิตของเราน่ยดูก่อนพิสูจนทั้งหลายท่านทั้งหลายจะตามรักษาจิตของตนคนในตามรักษาจิตของตนคนนั้นจะค้นจักรวงของมารทั้งมารทั้งดวงอนี่ดูเิ แะกนั่งพิจารณาให้มากเดูไปไ ม, มามันจะเป็นแปอะไรนหะท่านพูดจะย่อขนาดนี้น อ, อวิธีอาตมานี่มันก็แปลกนะบวชมาปฏิบัติมาเนี่ยสงสัยมากแต่ไม่เคยไปถามใครให้มากตลอดท่านอาจารย์มั่นอาตมาก็ไม่เ้าไปถามท่านอยากถามอยู่แต่ไม่ถาม ใ, ใครๆก็มายืนนั่งฟังอ่ะนั่งฟังนั่งฟังท่านเท่ไปฟังสงสัยอยู่ก็ไม่ถามจะไปถามคนอื่นคล้ายๆก็ไปยืมมีดคนอื่นมาปาดสะเราไม่เคยมีมีดเออเอมรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นเออไ ม, ไม่เคยถามใครโดยมากไม่เคยถามใคร ไปอยู่กับครบาอาจารย์ปีสองปีก็นั่งฟังธรรมท่าทนียูะแก่เองหาอีกแก่เองหาเองแก่เองไปทานองนี้แตกจากสาวกอง์อื่นอนเป็นเงานแต่มันแยบคายดีนะสบายแต่พิจารณามันเห็นขึ้นเองมันเห็นขึ้นเห็นขึ้นเห็นขึ้นเห็นขึ้ น, น, น, น, นตามสัจธรรมเนะี่ยมันดี มันไม่ลื ม, มไม่สงสัยมันไม่ลืมเอาสงสัยอดีตตัวว่ากันดิโยมโยมพรนันะ่นน่ะไปไหนเราไม่มาด้วยนั่ะือ ม, มีอะไรไหมนะ่ะอยากฟังจะทำด้วยนั่นนอะอัตมาว่าอย่าไปสงสัยได้มันมากกับอนี้ค่อยมันไว้สักถ้ามมีอะไรก็พิจนารณานั้น เรื่องที่มันสุกมันพุกมันเป็นเรื่องของสังขารดังกายของเราออ่ยเลยไปติดมันเท่านั้นเนีนั่งสมาธิมันเหนื่อยเหนื่อยกว่าพริกมันทีอดมันเตรียมทนวกว่าพลิกมันทีให้มันมากเียรปานนี้แล้วทำสตินั่นเห้มากพอ เดินไม่มากนั่งไม่มากอะไรไม่มากทำสติให้มากที่สุดให้มันรู้ทั่วถึงซะพอสําหรับคนแก่ตอนนี้อืให้เอาคําที่อธรรมานี่ไปพิจารณาดูเถอะเรานั่งสมาธิก็ดีเราจะเดินจงกรมก็ดีอะไรก็ดีเราปฏิบัติมาอะไรมันเกิดขึ้นมานะอืม อารมณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นมาข้างนอกก็ดีข้างในก็ดีทุ๊บก็มาให้เรามีความรู้สึกเกิดขึ้นมาอันนั้นเรียกว่าอารมณ์ผู้รับนั่นก็เรียกว่าผู้รับอารมณ์ผู้รู้อารมณ์นั่นก็จะเรียกว่าอะไรก็เรียกมันเลจะเรียกว่าจิตเนี่งก็เรียกนะอันหนึ่งมันเป็นอารมณ์อันหนึ่งผู้ผู้รับอารมณ์นี่แต่ข่ายตาของเราเนี่ยกับ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 เกิดความพอใจขึ้นเกิดความไม่พอใจขึ้นสารพัดอย่างมันจะเกิดขึ้นตรงเรียกว่าอารมณ์อะไรก็ช่างมันเถอะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมานั้นให้เราก็ะชับในใจของเราเสมอว่าอันนี้มันไม่แน่อันนี้คนไม่ค่อยจะเอาไปพิจารณานนะ่ะอันนี้มันไม่แน่ตัวนี้เนี่ยตัวสําคัญที่จะให้เราเกิดปัญญา ตัวนี้แต่ตัวสําคัญที่เราไม่ก้าวไปเก้ามาเราอยื่นิ่งอยู่กับที่มันนี่ยบอกแค่ว่าอันนี้มันไม่แน่บางทีมันมันมันมันเสียดายจนน้าตามันจะไหลออกก็เดียวอันนี้ไม่แน่ไอความโรคความโกรธทุกอย่างมันกระทบกรเหึ่บอกคําเดียวเท่านั้นแหละจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนตัวไหนอันนี้มันไม่แน่กระซิบมันจะได้เลย เอาทุกทีทุกทีลองลองดูก็ได้ไม่ไม่เอามา ก, กเอาเท่านี้อืมอันนี้เป็นเรื่องให้เกิดปัญญาอืมีเรื่องเรื่องอาตมาไอภาวนานี่ไม่มากกับเพื่อนเขาหรอกตอนนี้เรื่องที่สุดมันจนมุมมันเอาเท่านี้นี่ไม่แน่นไหนทุกอย่าง่ มันจะรวมอยู่จุดนี้หมดถ้าหน้าจิตที่มันเกิดขึ้นอย่าเป็นนับมันเลยมันไม่ทนนับหรอก อ, อาการของจิตเมื่อนั่งสจิตมันจะรู้อันนั้นมันจะเป็นอย่างนี้บางทีมันเป็นอย่างนั้นอะไรทั้งนีอทั้งหลายแล้วเนี่ยไม่คานนาที่เดียวแต่ตรง น, นี้อือย่าไปตามมันมากเลยบอกแกบ่านมันไม่แน่ตอนนั้น ก็พอแล้วง่ายๆจะก็หยุดอยู่แล้วมันจะเกิดของลูกขึ้นมาจะไปยิ่งตามอะไรมันมาเรื่องผููที่จะพิจารณาจริงๆนั่นอ่ะมันไม่ได้คิดอ่ะพอแต่หูตาหูจมูก ย, ยื่นกายพอกระทบปุ๊บมันออกไปเองมันพยยนิจารณาเองไม่ต้องเอาอะไรมายกขึ้นนี่มันมากมันยกเองของมันบิ๊กตกคืออะไรนะมันเรื่องยกขึ้นมาแล้ว